บุกทูแปดสิบสาม อ, อดีตการสามโทรศัพท์ดิฉันโทรศัพท์แล้ว ยาสมเทลฟอนีเราเทลฟอนีราละดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมายาสมเซลล์วเวเมทรฟนีเราโทรฟอนีราละถามปีตติดิฉันถามแล้วยาสมปีตตอปีตละ ดิฉันได้ถามเสมอยาสมอุเวกปิตาโอปิตาลาเล่าอิสปริจติดิฉันเล่าแล้วยามอิสปรโอลอิสปริจโลาดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้วยามอิสปริจโอ ispričala c าทั้งเรื่องทั้งเรื่อียนถ้าฉันเรียนแล้วฉ u น i ร u č i ตลอ i ทั้ง่ฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลยฉันเรียนตลอดทั้งค่ลย ทำงานราดิติดิฉันทำงานแล้วยาสมราดิโอราดิลาดิฉันทำงานทั้งวันเลยยาสมรดิอดลซลดันรับประทานทานยสติ ดิฉันทานแล้วยาสมเยอเยล่าดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้วยาสมโปเยอโปเอลาสุขอาหาร у